ซาบากาวตัวราตุสัมมาสัมปุทษาเอกุปนดิตุปุริสุปนดิตาุปัสิกาคาหิตเจนะดุราสปุริสาตังไลฝุ้งเกิดมาเมื่อลาจุงเตียงธาดาฟัง ยังทํากาดีวอนสนลกเปิ่มเบาหื้อต้องตุงโศกสุกาอันอาริยานังผัดเจ้าตัานเราไว้สืบสายมาเราจะไขอัาบอกเก่าหื้อรู้ข่าวกองดีเป็นวิธาร่าควางควังไปไปนาไว้รักษาคนลูกล่ายญิงใจ จุงได้แต่งใจพายจำจื่อไว้จ้าใจจื่อจำเอาเตดีลีอันว่าปีนี้นาเบาหมืนปีเก่ายอมจ้าเล่าไปหลังฝ่าร้องดังเบาตามสุภาพวีบากหักนานากาลนันีนาก็เป็นกาลันวิปากาเจียงอยากเบาเป็นสุกติหากนานา ก็หากเป็นตู้กะตีมารอดตู้เห็นกัดยอดเขามาเท่ากัดยอดฟึงเมืองรามไกเป็นป่านามาจาัดปล่อยเกิดเป็นไต่ก่องไฟแดงปล่อยว่าเกิดเป็นน้ำเม่เงือกซ้ำได้เกิดเป็นคน ดูนอนปล่อยรู้เบื่อจินนำพึ่งนำมินปล่อยเกิดความจังคุณนางเบาตื้อเปียงก่าคาล่าหลอกเป็นไต้กองไฟแดงเบาเป่าหมากน้ำเตาปล่อยจมมากหินก่มปล่อยฟูขึ้นออมพาขึ้นปอกหู อย่าละโคนี้จากบ้านอย่าปากตานโฟคุ้มกันอย่าไปนอนวันเนื้อป่าอย่าอย่าไปเอาขาไมมาเป็นเรือนอย่าไปเอาเดินดาวมาเป็นไม่ไตพ่อแม่ให้หากกันจ้าเล เมื่อใดแล้มีดังอันตานก่าวจีวาจิพหายไปงาใส่ไก่เป็นหอกไผ่บานอกใดเป็นขุนผู้มีกุณป่วยเบาเอาใจใส่ผู้ใบซ้ำบาเป็นคนลา ยับได้ควนขีลั่งปล่อยเบาคาไปนาเกิดเป็นไผ่แม่นวาซ้อนปานใดก้มเบาได้เปือวาเป็นคนใบใจบาปเหมือนดังจอนปากบางเอาขีขังมายา เม่นวานาปันได้ก้มบามันหิบร้อนเตโกม้มเบาจังเป็นดีกาลานีนาเตาวาเอาหาันมาตานาผักเอารีดตานมาเป็นรีดเมืองตอน ควนเตียวหันป่วยเอามาเป็นใหญ่เอาไก่มาตั้งเป็ดเอาเห็ดมาตั้งจิ้นลาบเอากาบป่วยมาตั้งเปจันรดียงป่วยว่าเบามีกายาขี้รักป่วยว่าหรือคำกาดำป่วยว่าเป๊ก้าเผืกไก่เผืกเป๊จู่เห็นนกเตีนป่วยกินปลาลาบต้องปากกว้างเอากินจ้าเล่ ยามนั่นงูลืมปล่อยเบอกอกขตเข้าเปิดหนึ่งปล่อยว่าปันคำเขาอาผาธรรมตอนเกิดแล้วตีแต่ตอนแกวเบาภาควัดดูเป็นกำ ร, ราหอดเกิดเววัน เดินสิบสองฝนต้องล่องเบาเหิดน้ำทมฝึกแต็มมือเดินจิงปปลยปุูกเขาใดเบาเต้าแต็มยี่เอาเมไปมาเป็นมีใหญ่ไผน้อยเอาสองมีย่าเดิอ ยามนั่นฝันต้องลองเบาตู่เมืองผ้าเหลืองปล่อยเอาเป็นไตเขานกเการ่วงกินค่ันมันทนผ้าจันป่วยเดือดร้อนเมืองใหญ่จังมาควนอีกคำเป็นสมป่วยมักแอวกล้าป่อกล้าเอาเป็นขุนย่าเนื้อ ยามนั้นคุณจังได้หาบยามาคาไผจักได้กว่าตัวได้ไปง่างนอนยาหยาบหอกดาบกาไควจึงอย่าลื่นเบดเข้าต้องอยากําก้องเดาไปจำสินอาจาย์กินเปียงเหล่ากาเท่าจางจำสิน นอนเนือดินกลางแปงพาสี่แจงเป็นท้องคนหลงเมืองปล่อยเป็นเจ้าหันควอนเท่าเ บ, า, เบาย่ำฝุงควนจำนักบูดตานถยอยอูดอาจารย์ ผิดโบราณบาวไว้คนไรจังใดเป็นดีรับจีนีจากตีแผ่นพากีเป็นตุง้งผีหุงเตี้ยวอากาศแจ้งว่าวาดเริงเรียงแก้วเสียงไก่เป็นขังควนรังแผ่นควผ่พน อาจารย์จังใดเป็นคนใบไผ่บ่ไก่เรือนมองตกหนองป่วยปล่อยฟ้าขาล่าเอาเมีไตมีมึงใดติ่งยุงติ่งแต่ฟุ้งหนึ่งนัน แก่นจันหอมหายรสเอาดอกงุนมาตัดสองหูเม่หมูเลยเม่จ้างไผ่น้อยอ่างรับคุณของเก่าฟุ่งรอยเรื่องลูกซื้อเหลืองเลยครับเม่บ้านเมืองแเผเ่นจุน ลูกเมืองควน ร, รอบเจ้านกเก้าเป้นกจีหันสามจีเลยไหลคาออกดาบก่าหนึ่งนั้นเมียงวันหันซื้อของซื้อลึล่องหลงฟุง้งวู กาขันวูปิงกาขันจ้างเต่า อ, อยู่อ่างตั้งจนุนขันใจบุญซ้ำได้หาบยามาคนบาปกาได้เป็นดีเป็นสัมจีปล่อยวากึดกำรบานเป็นพอกาปล่อยวาต้านกำมเมือง ไยกาตําการเบาตั้นเลีย้ยวแจ้วเจวว่าราจาการโหลดลาการรื่นไว้เป่าคัดไตเขาเอาราจาการจะาเลในกาลนีนาว่าเป็นกําใหญ่หน้อยขึ้นหอยตีคุณหลงเขา ว, ว่าเรากุนแป้ดตีเต้เบาสั่งมา เดิมดังซื้อของเท่าพาตาเจ้าเบาลองก้าเตจิงแพ้กันหลายทีโดยทีแต่ก็ซ้ำเขาหาซื้อซื้อไข่กินแล้วเหล่าเขานั่นโลจิพหายคุณตั้งหลายนี่นาจากำเบาพาตัดคัดไตเขา่าเวียงหาจากำเบาตามรีดมักอารีดโบราณ กันวาสารยิเขาอยากก่อเก้าหือเปิืนหันไลยบ้านเมืองวายก็เผืกอกำกิดเข้าของเหตุจิบหาแม่นมีลุงไล่ปานกองก่อเหมือนดังน้ำในบ่อ ก, กันแดดร้อนไม่ก็โลจัียงไปนั่นเลย ในกาลนีนาเพียงรื่นก็ยอมมุงคาสิก่อนรูก่อนรู้กรรมเมืองเกลืองใจฝุงควันเท่าไก่อยู่เล่รารำคันน้ำวังกายเป็นหาดตีเป็นตาดปล่อยมุนน้ำอุ่นเป้น้ำยันนกเต็นเป้กินจ้างปากบอกกวางรำกินจ้าเล ผู้ใดเอานังมาตั้งศาสต์เอากาับไมมาลาดผู้นวนเป็นดังมาหอนไหลเห่าคือดังหวเท่าตูหูอู้เขาไปจนวดบดบ่ใดไปพึ่งไม่ก่อฮักไปพึป่งลักก่อกนเขาทำซ้ำจบซืือลุง เกืองใจปอลิงกูตอนไม่แม่ไก่เลยแม่เห็นนกแตนเลยป้าจวนแม่กะอ่อนเลยนกยางแม่ควางเลยแม่มาจนกันกินยาตียางเพ่งคนตีเต้นไหลสัาคูบาผั่กุนทาเปราบั้ใส่ซอยร่องกับจ้อยในควันเป็นกลางวันพุทธาบาทเบาสุภาพกองทม ตีต่ำปอยือสูงตีสูงปอยือต่ำน้อยยำแต้ลุงไหลเป็นดังควนตั้งไหลเอาง่อนมาอ่อมดาบแบกหมามาอ่อนคุ้นไปลุนไกเป็นโตดมาโอดอ้างว่าตูกูเป็นดังหนูกัดมุ้งฟุ้งออกือตานหันไหลเสมอดังกินไควายแก่ห่ยวูตานมวยตั้งทุน อันตายลุนปล่อยชื้อตายก่อนตายต่อหน้าตุงวันหันเรื่องงามอย่าไปขึ้นขี่จางป้าไปตีจำบังจ่าเลกรรมันปันดีตาจะาเล่ามหาทิ้นเจ้าเล่าว้ดาฟังตามบูราณเจ้าเก่าไว้หือได้จือจำเอาเตดีดี ดูรายิง่งใจตั้งไหลเฮยหนุ่มเท่ากาอันเข้ามาฟังอย่างนังซื้อกาดีวอนสอนโลกกันไทยินลหมาฟังอย่าไปจังคนเท่าอือจ้าเหล่ากรรมดี มีของกินอย่าไปสุขเสริมของกินหลายอิ่งนะ่านำมือใดเอาวเนกันตุกผูกยังด้วยหมู่เจ้าเริอนอยาไปบินเบินนาเคยดเป็นเหตุถือจิบหาย อย่าได้ใกล้เกิดมาเป็นคนเยจัดอย่าผ้าหมาตปากจ้าโศกเศร้าหาือได้ไว้ใจขาวแว้นจากคือมีใจเจ้จาลาดด้วยซปากันแม่นวากาตั้กันสังก็คือปิจาราณาทุนที่คือรูตีอากอม เธอได้จบทรองซะป้าปิดเหตุนั้นจึงจักดีใครมีเ่ินเธอมั่นเตียวกล้าใครขีม่ม้าเธอเป็นขุนใครกาตำบุญเธอไปหานักแพทย์ใครจ้าลาดเธอรินกอง ใครจอบตรองเอือไปหาผู้รู้กันว่ารู้แล้วจริงจังใดแผ่นดีกันเบามีงอนยามักไขยองมันจางพิษของเรือนนัน เปินเบาติ้นควันด้วยกรรมดีสักพวกคือผ้ากอบด้วยต่างดีกันว่าใครเป็นดีเรียนทมผ้ า, าเจ้าใครไต้เท่าคือมันจำสินผ้าวนา การเป็นมนุษสานีนาคือเป็นควาใจกว้างจริงจังดีกันไข่มีงวันคือลิงบูควายแม่ลูกมันแผ่เอาขายลูกล้านไหลหล่นใจเขาจังได้ยำแยง กันจ้างแปลงสนก็ฮือมันได้ยาเจือโถ ก, กาผูกเป็นดีกันว่ามีขายก็ได้กา่ากันไข่เป็นปป๊ก้าคือยางตีซื้อตีขายกันไข่เป็นคุณเป็นนายก็คือมั่นใจเจา้า กันว่ายัานากินเขาก็ฮือมั่นใจเมือนไฟแล่ได้ยากันว่าภัยยังใจกาก็ฮือเรียนคุณแล่จำยา กันมีเพียปัญญาเ ก, กกาก็จังใดเป็นขุนกันว่าใจบุญเพื่อกลางก็จังมีหลูกบานดุงไหลกันว่าใจภัยเป็นโมยาก็คือมันแอวบ้านหืือมันสร้างภุงยา คือมันใจหาควันไขจริงจังใดเป็นดีตีใดมีควันจังอย่าไปไกลหันควันขี้ไรอย่าได้ดูเกวนกันบอเป็นโมจึงอย่าไปอดอ่างคือมีใจเพื่อกวางอย่าใจตัน กันว่าเป็นคนใจหันอย่าไปขี่ยานอย่าได้เป็นคนขี่ขานเบ่าเอากาันกันว่าเป็นอาจารย์คือเรียนทมจบไตรปิฎหือมีกุนวิเศษคาถา ฮือไดจอบหูราตวอยแม่นสับป้าส่วนอันใดก็ฮือแกว่จริงจังใดถื่อว่าอาจารย์เป็นควันติวสงสารนี่นายินอยากเบาจ้าลาเต้ก็เบ่าเป็นดีกันว่าคืดอันใดก็ฮือคืดที่ ท, ทีฮือรู้ที่ต่างพิษฮือไดติดตามก้องนั่งผ่านเจ้าอันตานเก่าไอว่าเบาดี พี่ว่าจังเย็นอันใดก็เหื่อยันเตะเตะจิงจังแป๊ะตังทานดำอ่ำก็เหื่อหันถึงซ้ายนอนไงก็เหือหันถึงฝ้าว่าดังนี้จึงจังดี จะเป็นจี้มีเพียปัญญากันว่าเพียเบามีใจเพื่อกวางลูกอ่อนจางพอกนี้กันว่าจังเป็นพอก้าเฮือรู้ตีไขของแม่นว่าพ่องซุ้มตึ้นเย่น้อยก็จังได้เป็นนี่เพิ่นจีพาย ลูกเม่ปองนายจานกันเบาขึ้นที่เตะก็เบาจังเป็นดีมีศวนเบาไดยา้ยะกเป็นกากุ้มตังโมนแม่วนว่ามีโคศลก็เบาลูกผูกกวยก็เบาตอกเรือ่อตอนมาแกว้งมาคือก็เบาลูกลูกโวควายเข้ามาเพียงศวนก็เปียงเสียได้เสเ ป, เป่าเพียงหน้าก็เปียงเสียเป่าเสียได้ ก็เปรัวมันข้านได้ยาเด้งเบาใจตัวนําแม่นว่าใดเขาก็เบาพอกินได้นานกมารองยาว่าคานี่มีหูหนูมารองยาว่าคานี่มีปีกย่าได้แว้นหลีกกันรื่นนั้นว่าควันขี้ข้านอยู่บ้านอ่างว่าเจ็บหู เอาตูไปอยู่วัดกันคำแล้วมาเรือนเสาเหึนเจิญพุดขาดผ้าเห็นหากไว้ควรนาตีสวนทิ้เบ่อใดใต้หลางมันเบามีสังใจเฮินหันพุดขาดสาสตร์เห็นไว้หลวงนอนกันไัยสอวนมันว่าไราไอ้นั้นเบามีจูกันเปิืออุกรรมถูกหูไหนอยู่หันไอ้นั้นก่อเบาเป็นดี อย่าไปสองด้วยต่างบาปอย่าไปหลักต่านกูเปลือนเน่าดับมาตัดโค อ, อย่าไปเฮ็ดก็ควันขีคานเป็นค้าไพยยาได้ปาตานกำเมือง อย่ามักเลื่องสุรานำเราอย่าไปปากเศราดาใบสาเฮาฝุ่ลุงเอาเก่าไว้หือได้เห็นหอกซ้ำไปจัดที่แตะไม้โป๊สีจักก่าที่หือตานตั้งหลายฟังเล่นา คือว่าไปติ้นไปมือไปปากไปอังกาจัดเขาแทมกุนดีเห็นหือใดแต่ดีดีกันว่าไปเห็นใดก็จริงจังดีอยา่ า, า, า, ยาได้ด่าผาด่าจีอ ย, ย่าได้ตีโปเมยอย่าได้ด่าพุเท่าพูเกรือตอน อย่าได้ซ่องด้วยตังบาปอย่าได้หยาบสาหดหคือได้อดใจเป็นดังน้ำพึงน้ำออยอย่าไปคอยเมตานผู้งาม อย่าได้ทำนิติกังหมู่ควันไลอย่าไปไกลสาบจูตีกังจุ่มอย่าไปหุมไกลหน้าเจ้าอย่าได้ขึ้นเรือนตานเหล่ายามสงัดอย่าได้จากำลาฮัดเหลาวั้นเมื่อยามคำโยเพิ่นรักยองมาฟัง ผูตาเรายัางเบาหันเปืนอย่าได้เลือนตาใส่ผู้จังย่าได้นั่งตีเบากุนย่าได้ไปอาบน้ำตีซ้ำซบอย่าไปปอบเมตานย่าเอาโหได้มานมาแป็นสหาย อย่าไปนอนง่ายเล่นความดาบอย่าได้กาบนำมีกันว่ายันอันใดก็อย่าหืดตาได้รู้เงินอย่าได้เสื่งกำกินอย่าใส่สิ้นไหมแก่ผู้เบามีโตดอย่าได้อดอ้างว่าตุลักอย่าไปตักของตานว่าอันนี้เบาดี อย่าไปจีนาตานว่าผู้นี้เป็นจุนอย่าไปจุนกันกินเหล่าอย่าไปเข้าไก่เมตตันตีสะงัดอย่าไปตักงวาผู้นี้เบาดีอย่าไปพิษผู้เบารู้อย่าไปแลีนจูเบาสมกุลเป็นกันเนื้อได้แจงกำฝากจริงจังใดเป็นกันดีตามสุภาพดีงาม หันตานมียาไข่ใดหันตานไรยาดูแกนโกนเห็นตอนหรือใดเตเตอันหนึ่งือก่อยฟังเนื้อหูก่อยดูเน้อตาือก่อยพิจารณาเนื้อใจยานับเต่าไปเนื้อติ้นเบาล่างฟังยาฟังเนื้อหู เบาลางอบอังครับยาควัมเอื้อเขียวเบาลังกอดดิว้วยากัดดิ้วเน้อใจอืก่อยปิดจารณาไปถึงตีเอือรู้ตีก้นไปอันเนื้ อ, อยาใจร้อนแล่ออกปากมันจังอยากแก่ใจเรากันหากเป็นไผวันไปนาอันหนึ่งมีเงินอย่านักถือยุกย่องอย่าแได้รักตานมากิน อันหนึ่งอือก้อยฟังเนหูอก้อยดูเนตาอก้อยปิดจารณาเอือใจอย่านับไปเนืติ้นเบา -lang ฟังอยาฟังเนหูเบาล a n งคลับอยากคลับเนือเขียวเบา l a งกัดเล้วอย่ากกัดเร้วเนอใจออก้อยพิจารณาไปถึงตีเอือรู้ตีคนไป อันหนึ่งอย่าได้ร่อนใจแล่ออกปากมันจังอย่าแก่ใจเรามันหากเป็นไพวันไปนาอันหนึ่งมีมื อ, อยานับถือยุ่งยองอย่าไปลังตานมากิน กนดีเกิดใจอือทนทีตีตานรักแปงเบาลักลางผ่องมันจังลักเอาของลางผ่องมันจังผ่องเอาตูดลางผ่องมันจังผ้าหยุดเอาตอนลางผ่องมันจังสองด้วยกังวันวีนาดกรรมันเบาดีนั้นอย่าได้ออกปากจาถึงกันว่ายินกรรมเข้าหูแลออกปากมันจะอยากแก่ใจ มันจะเป็นไพวันไปนามันจะเป็นบาปเปิดกรรมเกิดตอนเป็นควนหื อ, อยำมิดอย่าไปผิดเจ้านายอย่าได้ฆ่าเจ้าขายอย่าได้ฆ่าเจ้านีอย่าได้จีนะ้าตานภูการตมพีฏ อย่าไปส่องด้วยตังบาปอย่าได้อย่าจาสาหัสกันว่ามันอยู่ก็อย่าได้ทนกันว่าบาคนก็อย่าได้สั่นกันว่าจกสร้างการรื้นสะบ้าใดก็ฮือเหมือนตานอย่าจานหาตั้งผิดอย่าได้ติดหากำสอบฮือได้ย้ำป่อเมตราบต่อเต้าป่อไต หื้อได้ย้ำซ้ายเล่ผู้ยาหื้อได้ย้ำคูบาเลอาจารย์หื้อได้ย้ำแก้วเจ้าสามผากันเป็นตีปึงปีน้องฮืออาศัยซึ่งกันมีอันใดอย่าใดหื้อปืนรู้อย่าไปเอาจู้มาแก็มมีของอันใดจักสีอย่าไปฝังอันกุนดีฝังนั่นคือการกระทำบุญก่อยเล่ตาเนเ่้ย ดูราตานตั้งลหลายเฮยหนุ่มเท่ากันตานใดเส้นไหมก็เฮือใดเสนฝายกันตานว่าไราก็เฮือกาตั้มดีคำมันใดเบามีก็อย่าใดเพียงหม่กคำเบาใไม่ก็อย่าใดจ้าแถมอย่าไดขี่หรือเสียวเลนหาดอย่า ก, กาตั้มการผ้ามาดแก่ผู้กาตาั้มผิด อันตานมีปิดยากาตำการสองสิบกูเหมือนดั่งดอกจีเจ็บกระตำพิดโดยกาดำอันเลอันหนึ่งจะไปหาคุณหานายอือได้มีของฝากเราปากตามผืนก็จักยำยมเมื่อเราเป็นกมตานก็เอาใจใส่กินซอมยาวาวาน กินวานแล้วอยาว่าคอมยานับปากทานจันจ้าหันควันผ่านย่านับเต้าใจหันควนใบา ย, ยานับเต้าดูแกนกูดีเจีงต้ น, <c oughs> นือได้เบ่าหาหนำก็จังได้หาไฟเบ่าหาไก่ก็จังได้หาไก่เบ่าหาอันใดก็จังได้หาบ่าหาเรียง มีของเปียงอย่าไปบอกคือเปิรนรูปกันตันสู่ก็จังหยองมาเอาสีของเราบ่มีไผ่ายแม่นจักทายก็เบาเหมือนหลังตำมีคำจังกัน่อโจกคำผูตานก็เบาเหมือนมือปังอ่อนแลนา จญิงใจตั้งหลายเฮยหนุ่มเทาผ้ากันหนึ่งอย่าได้ลื่นรู้เลาอย่าได้เตานักผาดอย่าได้ผ้ามาดผูมิศิล์อย่าได้กินข้าวอันบมีอย่าได้แพ่กรรมสาหัสอย่าได้ตัดต้นไม้สิรีอย่าได้ตีคนใบอย่าได้ด่าคนเมา อย่าไปคนเก่าด้วยควันเงาอย่าไปเก่าวคำสาหัสอย่าไปจอกรูปผู้หันมือจักหงีบอย่าสันมือต้อมงอนอย่าได้จนกันเข้าไปตีเบาสมกุลอย่าจนกันจี้บอกไฟเข้าบานอย่าได้ตานกำหลังอย่าได้เตียวตางมือคำมืดอย่าปิดเสือตานหันหลัง อย่ากกาวกำมันตันโอยาพิษโปแม่เลปีน้องกันว่าไอเบอร์รูค้อฮือทำอ้ำมอ้มเบอรูู้ฮือทำไอใสเบอรูู้ฮือทำแสงแสงจังแปลงอันใดก็ฮือกึ้นทีทีฮือรู้ตีอาความเป็นควัอนอย่าไปใจตันต่อปีน้องอย่าได้หยิบแกงเมื่อมันอ้อนจางเจ็บซอก อย่านับตอบควอบเนื้อคิวคิ ว, ควบาเลกคำคอจ่าเลตาลเฮยเป็นคนเห็นนากินเขาย่าไปขีดขานยามกวนจาการสั่งก็หื้อจือไว้ไปนาเบาตัวเป็นวินอันหนึ่งย่าไปถ้งกําเจ้าเมียนบาไปเฝ้ามหาคาสัต ก็อย่าได้จากรรมรหัตือก้อยสาบกำอหยาบจ้าอย่าได้จากลางซานำคำมีกรรมเกืองออย่าไปจาตีภัยอย่าได้ก่ากรรมมันเบาสมกุลอย่าไปโ ม, มวเมามังหลบอย่าได้ปากสุกอันเบายำแยงก็เบาดีเป็นควันเบารูก้กุนตานก็เบาดี เป็นคาไยมั่งเอาตันไปเพ็บเต้าคุณก็เบาดีมันจางพิจกันไปไปนาเป็นควันอีนาหืเห็นอินตรีตันเนื้อใดก็จิงจังใดเป็นดีจ้าเล หญิงใจตั้งหลายเฮ้ยเป็นควันอีนายาได้ปากจากคำสาเ้าหือได้ไว้ใจเขาภายพ่วงคือได้รู้จองตังพิษคือได้ปิจาราดูตุกอัน อันวาลื่นคุณก็คุณจักคาลื่นมากก็มากจักดีดลื่นมีดก็มีดจักจับมือกันลื่นเจ้าก็เจ้าจักตีกันวาลื่นจีก็จังได้บาปกันวาลื่นดาบก็จังได้เจ็บ กันวาลื่นเด็กยิงลูกอ่อนก็จังเลียนมาหากันวาลื่นมาก็มาจังลีนาลื่นคาก็่าจังดูเกวียนกันวาลื่นคุ้นแสนก็จังได้ตดกันมีประโยชน์กอยเข้าไปหา อย่ามาอย่าด้วยเมตตากันว่าลื่นจังก็จังจัะเตียงกันว่าลื่นบูกวายก็จังใดเจ็บบาดกันลื่นนาดก็จังเพึงย้ำอย่าไปลื่นปันตั้งเมรังแม่มาก็จังใดถูกหนีกันลื่นบุติีบุตาก็จักสอนอยากกันลืน่นเมก็จักเบ่ามีสัง ยามยามเก่ากําอยากจ้าสาวัถึงเมื่ออดเบาใดก็เดนจักเด็ดไม่พิดทิ้งกันจ้าเลดูรายิง่งใจตั้งไหลเฮยเราจักวาดเทงกําสนจือวาทําก้าดีวอนสนลกควนเราเกิดมาเป็นมาดุนเยจัดคือได้จ้าราดูสะปัการ หือได้สันไม่ไควาตากุยหือได้เปงบุยไว้แปดลูกหือได้ผูกหมากไม่สัมฟาดคำบาลอย่าได้ขี่ยานยุดอยู่หือได้รู้ว่าจา้าหือได้เล็งกาสาห ม, มู่หือได้เล็งปู่ไว้สามคนจริงจังได้เป็นดีต่อเท่าเป็นตีลูกเต่าเข้ามาหา เป็นคนอีนาห์มีมนตรีไว้สี่เจียงหือได้แบ่งสิ่งของไว้เป็นสามจิงจังได้ชื่อว่าเป็นคนงามในโลกเบหือมีความสุขเศร้ามองใจแลนา กำมันว่าเฮือจังไม่ไกวาสานกุยนั่นคือดังตัวเราผู้เท่าผู้แก่กันเปิ่นเข้ามาหาสัปปาการันใดก็หือใดเป็นดังเราจังไม่ไกวาสานกุยนั่นเลย กำมันว่าหื้อแปงบุยไวแปดลูกนั้นหื้อได้ผูกมิดไวแปดติซาแม่นว่าไปไหนก็อย่าฮหื้อได้ปาท้องหัวเขากันผิ่นหันก็จะกล่าวว่าโปรเสียวเจ้ามาหาก็ิึงจะเรนดาหมู่เขามาสู่เราได้กินจ้าเล่ แผ่นยิง่งใจในโลกก็คนดีผูกหมากไม่สำฟาดคมบานอันและกันว่าควันเอากินก็จังหวันจำจึนอันหนึ่งเฮือได้กาตำอินด้วยหมอยากันว่าได้พาลาดุ่งไม่หลอนหากกินมันก็จางได้แผลที่โรคกา โบกูนกะตำอินดวยพันป่าแล่พันป่ากันเขาล่าดองไผกะตำมป่านาโบกูเตะบาปกันว่าเขาได้มากก็หากจักแบ่งปันเราจ่าเล อันหนึ่งกันว่าเราเป็นคนดีเล้ยวปล่อยผ้าสองด้วยคนใจบุญมาเป็นมิตรก็จริงจักเบาพิษของกองทำรรติ่งจังได้บุญนำไปสู่ฟ้าไปนาทิ่งจังดี จิงได้ฮือปลูกหมากไม่สัมฝาดคำวันอันใดยานยานนั้นฮือตัวเราได้สร้างโลกกันว่าหาันสุกเกี่ยวก็จังจีหายหันเต้ก็จะยินอายเกตานแม่นว่าอยู่ก็ฮือโมย่างแม่นว่าย่างก็ฮืองาม เป็นคนันือแปงใจดีเผือกวางกุนดีแต่งสร้างการรื่นควันดอตื่นฉันได้ก็กลนจำจือไว้หือใดกาตั้มแบ่งไว้เป็นสามคือว่าวันคำงามปันไว้สามส่วนส่วนหนึ่งไว้เตตาน ส่วนหนึ่งไห้หือลูกหลานย้มผัมพม้อมส่วนหนึ่งหือเลี่งต้องกายามแม่นวางวันคำมีน้ำหนาก็หือกาตั้มดังนี้เลโดูรายยิ่งใจตั้งหลายมวนหมู่อันมานั่งอยู่ดาฟังคนดีจำชื่อไว้เหล่านั่งผาดเจ้าเหล่าไว้แต่ได้มา การนั้นจิบหายนี่หนกักมีมาแต่ก่อนก็มีโดยผ้าการดังก่ามานี่เละอันหนึ่งยังมีมักเก็ตหนึ่งหนึ่งไปจานหนึ่งนั่งตั้งประตูหนึ่งหาคำสัจจะเบาได้หนึ่งหาคำปิดจารณาเบาได้หนึ่งนอนเจ้าตื่นควายหนึ่งนับเต่าอยู่เตากินเต่าไปน้ำเต่านัง่งเตานอน นํำเต่าปากน้ำเต่าจ้าด้วยความผ้าหมาดหนึ่งตั้งแปดผ้ากานันนี้ก็ิึงจงเป็นเหตุเือจิบไอในโจนี้แลจาดไปนาเตดี เหตุอันจิบหายนี่ยังมีแถมเหล่าเป็นขุนบังบีบินคาไยหนึ่งเบาแต่ตามราชาปาวินีโบราณหนึ่งเบามีสินอาสินแปดหนึ่งเบากาตำการบุญหนึ่งมา ก, กินน้าเหล้ายาเมา บ่าความย้ำพ่อแม่ผู้เท่าผู้แก่และอุปชายหนึ่งเบาเจอคุณแก้วเจ้าสามภาการหนึ่งมักเล่นจู้สู่ภูมิตานหนึ่งมักหลักท้องหวานจันวันหนึ่งบ่าฟังคำว่าเจ้า พ่อแม่คอนเท่าแล่คู่บาอาจารย์นหนึ่งขี่ขันมากกินแลน่นอนวันหนึ่งเบก า, าการตำกันมักแอวถุงหนึ่งหาผ้าโยช์เบาได้หนึ่งอันนี้เรีกจีว่าเป็นเหตุถือจิบไอ้นั่นแล่ ดูรายงายงใจตั้งหลายมุนหมู่อันว่าเสียยัดสักนี่นามีหลายยึงถึงอันเสียสีเบาดีสักสิ่งเมมิงแก้วเงินคํา <c oughs> สียตึงตานเบาย้ำสักอย่าเสียตึงลาบลาพาเป็นคันนี่นาเบากุนนับกินนับไปเบากุนนําต่อไปสองสบจังเป็นเหตุคือีสี กุนฑีแจ้งตอนหือใดแม่นว่ามีเมว้ก่อเบากุนเข้าไปหาหืดหลีกแ ว, ว่นไหวมือวันสินผิดโบราณป้าเจ้าต่านเราไห ว, วาบาเบาดีกำั้งวันสังขารปีใหม่กานีเบาดีใกล้นางยิงอันหนึ่งกินต้านป้าวีนีมารดาวดเบาดีกอดอ้อยนอนคาง อันหนึ่งเตียวตางไปไกลมารวดเบาดีกอดอ้อยมีแปงมันจังสีกำลางเรียงเลถอยมันจังถอยสีสีได้นาะอันหนึ่งนำเบาดีกินน้ำบ่มีในป่าหิวเบาดีกินได้อาบยังมีสามจัดเตดีดี กือว่าควันเป็นตูดเป็นเรื่นเป็นฝีก็เบาดีไปไกลน้ำบ่อน้ำบ่อําแจียงก็เบาดีอาบน้าบ่ออันพื้ไม่หล่อนตอกเบาขาดก็เบาดีกิน <c oughs> กันว่าใครกินได้อาบผู้นั้นหากเบาดีแต้แล่ ทีนี้จังจ้าดุยสียัดสักเต้าพยานั้นก็ยังมีหลายพากาันเทียงก่อนเลในตีใดไปผู้เดียวหนึ่งนั่งพีงผู้น้อยหนึ่งว่าแล้วชื่อซ้วบากรรมเก่าหนึ่งมักกาตํมราธีกิจจาการราหูอันเบาหนึ่งคือมักบูราผวกมักหนุ่งยองอันพัง้ร่หนึ่ง อยู่ในอาวาสิีได้เบาจำรากวาดัดผิวเป็นอันหม่นมองพังไรคันเล่ตเว่าดาตั้งหลายก็เบาสักศึนยกยอเต <c oughs> ียนยอมตีเตียนนิ้นตาหนึ่งเบาผ้ากรอบโดยตสาราจะทำหนึ่งห้าศาสาตร์สินกรรมรูกรรมรักเบาได้หนึ่งเบารักษาสี่เจียงเริญน ข้ายาวขอนเรือนนอคัติยาวองซาสีนาเรอามาัดผู้ตุกอยากแล่ผู้เป็นดีอันนี้เป็นเนตุคือจิบหายตันจังดูเกวนจาแหล เหตุจีบหายยังมีฉันนี่เหล่ามักนอนลับกลางวันป้อนผ้ามานหนึ่งสองด้วยการตั้งเล่หนึ่งสองสนสอคขอนกําไปมาหนึ่งฟังกําเบาเอากําง่ายเบาพิจารณา โหลดเกตหนึ่งกรำเอากำแม่ยิงเป็นนักหนึ่งหากำ ร, ร, รู้กำ ร, รักเบาได้หนึ่งสงโย่อยอกด้วยกำรรผู้ยิงหนึ่งสีควัปาลาเข่าดาตอนหนึ่งหาเงื่อนกำรรเบาได้หนึ่งยัดอันใด บเบาแผ่นอันด้านหนึ่งตานยอคุณตอนก็ดีมันปล่อยความสีนั่นก็ดีผู้หนึ่งจกักเออสมบัติมันปล่อยคัดสีผู้หนึ่งมักรามของเก่ามือตาต ก, ตกตุกตีกลางหมู่คนได้หนึ่ง มักควันกำไปมาฮือตานใดพิจกันหนึ่งยืมของตานนานสองฮือตานใดครับอันหนึ่งมักจะกำบ่อเปล่นมุ่งควันหนึ่งอยู่ผู้เดียวแล้วจะต่อตู้เก่าหนึ่งตานเบาทามป่วยเก่าวหนึ่งมั่งบุญป้องป้อนผ้ามันหนึ่งเป็นลักษณะอันถอยยอบเต่ละ ตีนี้จังจ้าด้วยตีโกนเลเบาโกนก่อนแลอันหนึ่งนั่งสางโคกผููมองก็เบาดีตา่างไกวสุนกันก็เบาดีนั่งนอนอันหนึ่งริมจ่องตัดตีปองใจคาต <c oughs> ีอันควนเที่วไปมานั้นเบาดีนั่งกันว่าออดเบาได้ก็ถึงว่าจังจิบหายแต่แล่ แม่นว่าเลี้ยงบูกวายก็เบาเพกันว่าบเบาแย่นเต้เต้ก็จางใดป้าจำแม่นว่ามีคาควันก็เบาอยู่ใดแม่นว่ายัดใจไม่ก็ลูกเลี้ยงจางใดฮักนี้ กันว่าใจเบาดีมีเ ม, มรักก็ไคร่างแม่นว่ามีนวนอยู่ปังคางก็ยังเบาจางยินดีกันว่ากูท่านีนามันเบาดีสักหยาดนักผาดเจ้าเหล่าไว้ว่าเบาดี อันหนึ่งโมหาใจตันสุขเศร้าเบารู้เก้ารู้ไปนับเต่าจ่ากำไบออกปากก็หากเป็นก้องวีนาจิบไหเปินตั้งไหลก็เบาได้จะาเล่าเต่าแป็นอันเบาดีกะตำ อันหนึ่งหันสังเปิ่นแล้วใครใดอันใดจักเป็นตูดก็เบารู้ก็จริงใดชื่อว่าโมหะดังว่ากุทธากาดาังใส่ใหญ่เบารู้แต่ไพแลคุณนาย เมื่อไปลุนไกเป็นโ ต, ตูดป่าฮหือใดจบป๊บตังพิษตันหาติดเบาเศร้าอันนั้นเหล่าควนนักสป้าอันใดก็เพื่อว่าตั้นหาเกิดก่อนโมหะย่อนเทียวจอมติดที่หวัมมือมันป่าเหือกันปันยาเบาพิจารณาเจียงที่เด่นถึงตีจิบหายจ่าเล แยกแต่เนอปัญญากันว่าบอกเป้ก็ฮือเอาวิจามาเทียงคือเอาอาริยามาจอยย่าได้ถอยกำลังชวนกันกำมือมันจริงจังดีตันหาม่ดังอีเอื้อรุีจำเอาเตดีลิเตอดูรายายิ่งใจตั้งไหลเอ้ยหนุ่มเถ่าบันนี้เราจักเหล่าคำสอน ซะป้าผู้ยิงเอือรู้ที่อือรู้ที่กองดีอันว่าเกินมาเป็นควันยิงในโลกอย่าสุกเศร้าจะแข็งจังจากกรรใดเอืออย่างที่ฝุงปีน้องเอือได้รักเพียงกันเอือได้ย้ำแยงคนเท่าเอือได้ยำลูกเต่าแล่ผู้ควน แม่นว่าปากต่อเจ้าต่อผู้ก็หือว่าเจ้าว่าข้าปากต่อหน้าต่อปากก็อย่าปากจากคำสาวปากด้วยลุงอาวก็หืยำ <c oughs> บ่ากุลกาตำไรต่อโปแม่ถึงเท่าแก่และคูบาจากรคำด้วยตานก็ฮือก่อยปากไผเบ่ายินดีด้วยกคำไ ร, มรแม่นว่าปากต่อลูกเอายายก็ฮือออดใจกันว่าใจไปไหนเขาก็เบ่าข้านกันว่ามั่งไขร้างเบิกกันรื่นก็ฮื้อปั้นเขากินฮืออิ่มเสื้อผ้ามิ่งพื้นดี ขันตังหลนี่นาสองโดยอันกินแล่อันหนุ่มเขาก็จักเบาบุญป้องพันเราแลนนาฟังต่อขวันตังไลายหนุ่มเท่าเราจักเหล่ากำรพันการยิ่งใจในโลกดูสศกเศร้ากลงวันเม่นว่าเป็นผู้เล่เมมิ่งอย่าลิงใจจูการ อย่าอุนนั้นผิดของกันว่าบุญป้องหากันก็จะเรื่อ น, นั้นบอกขาดที่พักอย่างไปมาตาดูอันเริ่มเหลือบปวเผิอดหน้าอายกัน <c oughs> สองถินยันขิงตาสิงปากตันยันยานพิบรานบ่จบป้ากอบด้วยต่างจิบไหนมีงงินคำไหลก็เบามันติ่งก้อยอยู่ก้อยบอกบางได้เป็นคฐนานต่อโจอปีน้องเบาโลกันสังแลนา กันว่าผู้มียำกันก็ฮือได้จากคำอุมม่นอ่อนเบารูห่วนผิดทิ้งมีสิ่งคำอันหมุนมแขกเต่าร่นเนินนั่นมีจู้อันบาผ่อนผู้มีห่อนยำแยง ปากกําเมียนจูลํขาขอน้ำเบาบกบางดังนางยิงตั้งหลายนี่นาเต่ายินดีด้วยกําปากกันว่าคนใดเล่ปากตาจ้าแข็ง ก็บอเป็นตีเปียงเกตานอันหนึ่งเป็นควันยิงเหือมันสร้างการเรือนสบาอันใดก็เหื่อมีพำพ้อมอย่าติดกองการเรือนกันว่าปีน่วงหาอันใดก็บ่ไใดติ่งจังได้ื่อว่ายิงเต่ายิงปืย เจ่อว่ายิงบุยอันปากบางเป็นมีไผก็ติ่งว่าจากร่างเหตุว่ามันโบจางกันสั่งยิงใดมาไว้เขียนเล่าลองตาแอวเล่นดาแยงเอา ก้ยแขนเล่าหาจูผู้เบ่ารู้ก็ทางว่ามันดีที่แต่กะทำการสังเบ่าจางล่างผ่องมักแอวเล่นรางไครของมันกันเปลือนนื้องอนใจจ้าใจรีบกำเอาเตาซื้อโคหนุ่งยองล่างผ่องมันจางแอวตุยสูนนั้นสูนเปลือมีสังมันจางตักมักไข่ใดของตานมากิน ส่วนมันมีก้อมเบาผูกก็หากถูกตาจังเก่เปิ่นเลลางพ่องมันจังตีเต็นนินตาปีน้องจังบุญป้องไปหลังมีสังลักษณ์เสิงไววเบาปั้นปีน้องในเรือนเขาฝุงนั้นจื้อว่าเมเรือนใจเบากวา้างเบากึดการบ้านยาวเรือน กันว่าเป็นควันยิงนี่นายันอันใดฮือได้ยันแต้แต้จริงจังแป้ต่างผ่านกันว่าเป็นควันติวสองสารสร้างลูกย่าฮือตานได้จุดดูแกนฮือได้ยำแยงผู้เล่ปบ่เมตึงเท่าแก่ลุงตากันว่ามิดส า, ายมาสู่ฮือได้นั่งคุบเข้าอยู่ยำแยง เพียงกำดีตานต่อมีอันใดก็เอือได้ซ่อมาสู่เปินจริงว่าเราดีจังใดเป็นดีไปไปนากันเปินว่าเจ้ามันหากเบาดีสังแม่นว่าไปต่างใดเปือนก็ฆ่าควันแล่พ o น n าเกิดเป็นควนอีนาฮอือดได้นอนดึกลูกเจ้าลูกหนึ่งเขาแลส่สมไฟ ยามเมื่อเตียวกัางรื่นก็ฮือกอยอยยางย้ายล้นว่าป่อแม่ต้องใจตื่นกำไรลุนจกนักมีกันว่าเตียวกลางรื่นเบาหย่วงของ้อของพรจิบหายแมนมีงันคำไรยปันใดก็เบาอยู่ใดจังได้ผ่านล้นจูยาว่าชีวังเลนา อันว่าเป็นคนยิงนี่นาตาวันตกลาคำบาดีย่ำเตียวไปในหอนตั้งไปนอกบ้านเปิ้นจ้ากว่ามันค้านแอว้าจึงกันว่าตาวันเหลืองลาคำก็ควรดีหับน้ำแล่หอบรู้ขึ้นเรินดังไฟแล่หุงเขามีกำร้องลูกเต่ามากิน กันว่ากินแล้วเหื อ, เ, อเข้ามาเจเยตั้งน้ำมาจิมแล้วเอาสิมดีแล้วก่อยเต่งยผ้าผู้นอนือผู้นอนนอนก่อนแล้วมีแก้วจิงนอนชมจาแล ถ้าการหนึ่งจังปั้นอยูกอ่ก็ฮือก่อยย่องปัดห้าจ่องดูควรหันบุ้งปิดอย่าได้ติ้นตํำไปไปหนาหันซ่าอย่าได้ติ้นที่ไปไปหลัง แม่นว่ามีสังจักอยู่เบาใดพิเคไราหากมากินแม่นว่าจ้าแลพิจใจปัน่นใดก็ฮื้อกวยอยงก็จังใดจือว่าเบาพิจกองกอนะงทำแลนายิงใจตั้งไหลเฮยในโลกผู้ใดมั่งเครงกุโกุธาจังเป้าอตอนตุววีนาศเข้าถึงจัดอาวิจี คนผู้ใดมักน้นวันขี่ขานบ่ฟังคำรรผู้เท่าผู้เก่ก็ติงว่าจักเข้าสู่แต่ต่างตายลางเตอเข้าจะกินเลี้ยงง่ายก็หาบ่อใดตุกใจยิ่งแก่นหรือผิกจกักใดหารื่นนื้อคือจังใดหารื่นไตแม่นว่าลูกน้อยให้ก้มเบาจังเอาไหนมาปัน้น มีกาพาผืนเดียวเป็นซอยปุทธขาดห้อยขึ้นตูหาคู่จักหนุ่งจักยองก็เบาใดก็จังใดเป็นคาใจกะตำการรื่นต่านเตดีดีด <c oughs> ยิงใจตั้งไหลเฮยหนุ่มเท่ากันว่าตานเล่าด้วยกำไ ร, รก็ฮือวายน้ไกยาไดกังหูฟังคำส่อตานจักหลมาหา กำบาจาที่ถวยกำใหญ่น้อยถึงตอนยามนั้นจังได้แป่นควันจังเกตานตึงบานเปิ่นติ้นกวันมันบ่อแ็นกุนสังศรัทธาเปินป่นจักดาเพีบตูมา เกิดเป็นควันนีนายาไปฟังคำส่อทิ้งกันรอหนึ่งนันตุกในวันคำเจ้าหมอเข้าจักแตกคาจัดคาใจมีลูกลหลันไหลก็แตกคุ้งคำยุงก็เปือเรือนนั้น รู้กรรมในเรือนแล้วไปจานอกบ้านกรรมไร่ผอกพิษกันอย่าไปฆ่ากันผู้เล่หลูกเตา้าโปเมเท่าเจ้าเรือนกันว่ายิ่งผู้ใดจ้าภาพผ่อนเต็ยนยอมใดถึงผ่านเป็นกาตำกันสังก่ว่าวบุตรีพีดีหลุดมาปัญจ้าเล่ เป็นควันนี่นายาจาคำฟ้าผ่ายาจาโลูตัญหากคำเดียวจาไหลตื้อก่อเบาดีรู้แล้วเบาเจอคำสอนก่อเบาดีมักดาป่อเมผู้เท่าผู้แก่หรือตนก่มเบาดีบังผ้ามาดแก้ยวเจ้าสามผ้าการก่อมเบาดีบังโลผ้าตัญหาหรือตานก่อมเบาดี ใจยานป่อยเก่าวกำหันก็เบาดีปีนว่องกันเบาไปหากันก็เบาดีไปไหนมักหลียนหาจูก็เบาดีได้เล้วเติมขอแถมก็เบาดี <c oughs> ยืมของเปิรนแล้วเบาส่องก็เบาดีมังเหยวบานจันจาก็เบาดีไปไหนมาได้มีกำเกิตเบารู้เหตุของทูกก็เบาดี กันวาปอบค้นใบก็ฮือใดนี้ไก่กันวาปบพญาก็ฮือครอบยำกันวาปบเจ้าเจ้าก็ฮือวันตากันวาปบมาก็ฮือได้เห็นส น, นงมันจางจองไปหลังกันวาปอบค้นจังก็อย่าไปไก่กู้เกิดได้เป็นไทย อันว่าไยนี่นามีหลายมากซื้อมีหลากวูไหลตังวูควายเลจั่งมากคาศึกใหญ่นานาคือมีวิริยะเบาผากปัญญาหากกำตามจึงจะได้เป็นควานงามในโลกเบาเครื่องโคสักอันคือมีอูใจหวานดั่งออยจึงจะเบาถอยจ้าสีใจจ้จาเล โดรายิงนใจตั้งหลายเฮยหนุ่มเท่าอันว่าการกาตั้มการเดินนี่นายินอยากกันว่าเบามีบุญจาเดเแล้วก็เบามหันยังผ่าสัตธ์ทำเก่าเงาผาเจ้าจื้อศรัทธากุนดีเข้าไปหานหอกว้เฮอใดกาตั้มตานาปาระมี ศีลาปารามีภาวานาปารามีเกเ ก, กอได้ถึงวิ่งแกวหยอดมหานิราปานัน <c> อ <oughs> ือไดดับตุ่งสงสารแว้นจากบาปอือได้มั่นกะตำการเถียงสร้างตั้งขัน้นยาปันมีแม่นวายิ่งมีผู้ก็ยาได้เดนจูสองสู้จึงเอากัน สองครอบย้ำจึงได้แก้วสองกาดแก้วจังได้สาสตร์เห็นพูดกลางนั่นเล็กกันว่าสองผิดกันก็จักผ่านต่อจูกันว่าสองย้ำกันกว่าเจ้าว่าคาก็จังได้ขีมาเป็นดี คือได้มีไมตรีรักกันไปต่อโจโลอันใดก็จังไดเป็นดีเม่นบามีลูกลหลานไหลก็จักเว้าว่าอยากย้อนหักว่าทีว่าดาตามรักษาดังว่าจังสอวนลูกส่วนหลานนี่นาฮือจังอย่าได้เก่ากรรอ้างไปหลังอย่าได้ที่ลูกที่กังหมู่คนหลย เปิ่นจังอูบายเก่าลูกอย่ากฮอได้ฝุงงลูกเต่าได้หลืนใจเราอย่าไปกุณเก่ายามมือเกียดยัดอันใดก็หื อ, อยังที่ยานับเต้าวานับจ้ากุณดีพิจารณาฮือที่ยาได้เก่าคำที่โบกุณเื้อแต่ตามคำโบราณคนเท่ากันว่าอายุเขาป่อสาว ก็กอวนอูตานี้ตาติมเตยกก็จิงจักจอมเมียนทำอาดาตามอาริยาี้เหล่านักผ่าเจ้าสั่งสอนมาได้เป็นควันติวสองสารสร้างลูกยัเตะเตะจิงจังได้เป็นดียาได้ตีมายามเอกินดูกอย่าได้ด่าลูกเต่ายามเอจังนวน อย่าว่าเป็นไพน้อยก็อย่าด่าขุนกันว่าจัดใจไพ่ก็จังใดเป็นตูดกันว่าด่าผู้เท่าผู้แก่ก็โหลุดใดเป็นป้าป้ากำด่าผ้าเจ้าผ้ารมก็จังใดเป็นตูดใหญ่รองกว่าไตอาวิชีปุลเลตานเฮย ผ่ากันหนึ่งแกงผักคิวก็ฮือตุ้ยดูรักอย่าได้กำปากต่อยหูมากันว่าดาหมู่เขาก็ฮือร้องลูกเต่าแล่ผู้มากิน แม่นว่ากินน้ำพริกก็ดูว่าวานเหมือนได้กินอาหารจิ้นลาบแม่นว่ามีกำยาบจ้าใจแข็งแม่นว่าได้กินแขงจิ้นลาบก็เหมือนกินน้ำพริกสากขาวแมนนั่นเลย ย่เมื่อเราจังนอนก็อย่าได้เกียดดูเป็นเหตุเพือจิบหายผ้ากันหนึ่งกาในเรือนมีก็อย่าเอาไปเก่านอกเรือนไม่เล่มเจิญก็อย่าไปนั่งอย่าไปยั่งไตตอนไม่อันไตขานอย่าไปคขานโตเจ้าบ้านอย่าได้ขี้ขานยัดเว ก, กันรเรือนบ่าดี คือได้ปิจาราาดูทนที่ยังจะรู้ตีแเปนไปอันหนึ่งอย่าได้กองข่าไว้ไตหล่างอย่าได้ไวห้หืนกังจ้องอย่าได้ฟองเหลือรีดข่าคุณตอนอย่าได้ไปพิเต้าอย่าได้ไปเน่าไม่ก่องอ่อนต่างเปืนเบาดี อย่าได้สานมือต้ำงวนอย่าได้จ้องไม่ตัดสื่อหนอหูอย่าได้ไตคู่ไม่เล่มเดียวอย่าไปเตียวในกังป่ากำร่าเลี้วอย่าได้หันขึ้นอย่าไปจอนต่อผู้ใหญ่เป็นไผ่คือได้อยู่ตามบุญอย่าได้เกียดฮือคุณอย่าได้บุญคือกาดกันเป็นแผดก็รีบพายา เป็นคนเตียวสงสารนี่นาอายุยืนไปน้อยอายุต่ำก้อยไปหลายดูลายยิงใจตั้งหลายเฮืยหนุ่มเท่าก่าอันเข้ามาฟังยังทำกาดีวอนสนลูกคือได้ป้อนตุง้งโศกสวยผันเอือดได้แผ่นวิสัสตันไปไปนาตุ้งหนุ่มเท่ายิงใจ เือได้จำไ ม, มจ่จำื่อไวจ้จาใจปฏิบาตามกาลคันมารวดก็สาร็จจาบูรามนลกาลากุลเต่านี้ก่อนเล